ไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยเล่มที่41พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่8ประธานภาค2พระอภิธรรมปิฎกธรรมานุโลม ติดกะปัฏฐานขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหวิต ก, กติกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยหนึ่งสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารอาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เก Kristin. ิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอาศัยสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยได้แก่วิตกอาศัยขันที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะวิตกอาศัยขันที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ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 ขันสองวิตกและจิตตสมุทารูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามวิตกและกตัตาตารูปอาศัยขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกและวิจารณเกิดขึ้นขันสองวิตกและกตัตาตารูปอาศัยขันสองเกิดขึ้น 2. สสภาวธ ร, รรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์อาศัยสภาวธ ร, รรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจ ได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่ง 1, ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ อาศัยวิตกเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยวิตกเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่วิจารณและจิตตสมุทานรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดขึ้นจิตตสมุทานรูปอาศัยวิตกเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ วิจารและกระตาตารูปอาศัยขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตาตารูปอาศัยวิตกเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่ขันที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยวิตกเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ ขันที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และกระตาตารูปอาศัยวิตกเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามวิจารณ์และจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดขึ้นขันสองวิจารณ์และจิตตสมุทฐานรูป อาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามวิจารณ์และกะตัตารูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดขึ้นขันสองวิจารณ์และกะตัตารูปอาศัยขันสองเกิดขึ้น 3, สสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตะสมุทฐานรูป อาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยวิจารณ์เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามและกตัตตารูปอาศัยข <Peak> ันหนึ่งที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นขันสองและกตัตตารูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตาตารูปอาศัยวิจารณ์เกิดขึ้น หทายวัตุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหทายวัตถุเกิดขึ้นหาทายวัตถุอาศัยวิจารณ์เกิดขึ้นวิจารณ์อาศัยหทายวัตุเกิดขึ้นมหาพูตรูปสอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปและกระตาตารูปที่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยมหาพูตรูปเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร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 และกระตัดตารูปอาศัยวิจารเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอาศัยหัเยวัตุเกิดขึ้นกระตัดตารูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะวิตกอาศัยหัยวัตุเกิดขึ้นกระตัดตารูปอาศัยมหาภูตารูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิจารณ์อาศัยหัยวัตุเกิดขึ้น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 เพราะเหตุตุปใ จ, จได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกอาศัยหัตถยวัตถุเกิดขึ้นกระตัตตารูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น 4. สภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุ ป, ปั จ, จได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่ง ที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองและหัตถยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ในปฏิสนธิขณะวิตกอาศัยขันที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตัตตารูปอาศัยขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์ อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกวิจารและอาศัยหัยวัตถุเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองและหทัตยวัตถุเกิดขึ้นกระตัดตารูปอาศัยขันที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณอาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะวิตกอาศัยขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และอาศัยหัตยวัตุเกิดขึ้นกระตั้ตารูปอาศัยขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุัตจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันสามและวิตกอาศัยขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นขันสองและวิตกอาศัยขันสองและหาะทายวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจาร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 อาศัยข um> ันที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และอาศัยมหาภูติโลกเกิดขึ้นหสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และที <conventional hate soft dragon> 有有่ไ <ENCE> ม่ม mm. ีทั้งวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยวิตกและหาทายวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์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 ขันสองอาศัยขันสองและวิจารณ์เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขัน 3, าสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และอาศัยหทัยวัตุเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองและหัตถยวัตถุเกิดขึน 4, ้นสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ จิตตสมุส bedeutet, proof, age, ทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และอาศัยวิจารณ์เกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยวิตกและมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตาตารูปอาศัยขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณและอาศัยวิจารณ์เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ กระตัตรารูปอ า, าศัยขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และอาศัยมหาภูตารูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตัตรารูปอาศัยวิตกและมหาภูตารูปเกิดขึ้นในปฏิสนทิขณะวิจารณ์อาศัยขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และอาศัยหัตยวัตถุเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ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 อาศัยขันสองและวิจารณเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามและวิจารณ์อาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และอาศัหยหทัยวัตถุเกิดขึ้นขันสองและวิจารณ์อาศัยขันสองและหทัยวัตถุเกิดขึ้นหสภาวะธ ร, รรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณอาศัยสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ ขันสามอาศัยข ok ันหนึ่งที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และอาศัยวิตกเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองและวิตกเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกวิจารณและอาศัยวิตกเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองและวิตกเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และอาศัยวิตกเกิดขึ้นขันสองและจิตตะสมุฐานรูปอาศัยขันสองและวิตกเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามและกตัตตารูปอาศัยขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกวิจารและอาศัยวิตกเกิดขึ้นขันสองและกตัตตารูปอาศัยขันสองและวิตกเกิดขึ้น เสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่ในปฏิสนที่ขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกวิจารณ์อาศัยวิตกและหทัยวัตถุเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองวิตกและหาทัยวัตถุเกิดขึ้น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 ขันสองอาศัยขันสองวิตกและหาทยวัตถุเกิดขึ้นกระตัตตารูปอาศัยขันที่มีทั้งวิตตกวิจาร์อาศัยวิตกและมหาภูตรูปเกิดขึ้นอารมณปั จ, จัจแปด สภาวธรรมที and and and ่มีทั้งว <A> ิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณเกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่วิตก อาศัยขันที่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจาร์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์อาศัยสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร์เกิดขึ้นเพราะอรมะณปัจใยได้แก่ขันสามและวิตกอาศัยขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นขันสองและวิตกอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะเก้า สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเกิดขึ้นขันธ์สองอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเกิดขึ้นเพราะอรมณปัจัยได้แก่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 อาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะอรรมนตปัจจัยได้แก่ขันสามและวิจารณ์อาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดขึ้นขันสองและวิจารณ์อาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสิสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะอรรมนตปัจจัยได้แก่ขันสาม อาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้ น, นในปฏิสนธิขณะขันสาอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้ น, นในปฏิสนธิขณะขันอาศัยหทายวัตถุเกิดขึ้น ว, วิจารอาศัยหทายวัตถุเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร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 อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจาร์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจาร์เกิดขึ้นเพราะอรมณปัจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันสอาศัยขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกวิจารและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองและหาทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจาร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 ขันสองอาศัยขันสองวิตกและหาไทยวัตถุเกิดขึ้นพึงจำแนกปัจจัยยี่สิบที่เหลือเหมือนที่จำแนกปัจจัยสองไว้ตามแนวทางการสาธยา ย, ว, ยวิปยุตตะปัจจัยสิบสี่ สภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นขันอาศัยหะทายวัตุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นขันอาศัยหะทัยวัตุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้ทงวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยได้แก่วิตกอาศัยขันที่มีทั้ทงวิตกและวิจารณเกิดขึ้นขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่มี ท, ทั้ทงวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยได้แก่ จิตตสมุทฐานรูปอาสายขันที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาสายขันเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์อาสายสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจัจได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้น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 ขันสองและวิตกอาศัยขันสองเกิดขึ้นขันสองและวิตกอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะวิปยุตตปัจจัยได้แก่ขันสามวิตกและจิตตสมุทฐานรูป อาศัยขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นขันสองวิตกและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นขันและวิตกอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัใจจัยในปฏิสนธิขณะสิบห้าสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์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 อาศัยวิตกเกิดขึ้นขันอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยได้แก่วิจารและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดขึ้นวิจารณ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัย จิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจัจจิตตสมุทฐานรูปอาศัยวิตกเกิดขึ้นจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยวิตกเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจัจในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจาร์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์เกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยได้แก่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 อาศัยสภาวิธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐา น, นรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณเกิดขึ้ น, 2, นอาศัยขันสองขันอาศัยหทัยวัตุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตปัจจัยจิตตสมุทฐา น, นรูปอาศัยขันเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตปัจจัยจิตตสมุทฐา น, นรูปอาศัยวิจารณ์เกิดขึ้น จิตะสมุทฐานรูปอาศัยวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยในปฏิสนธิขณะในปฏิสนธิขณะกระตัตตารูปอาศัยวิจารณ์เกิดขึ้นกระตัตรตารูปอาศัยวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยหาทายวัตุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาทัยวัตุเกิดขึ้นขันอาศัยหทายวัตุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัย หาทายวัตุอาศัยขันเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยหาทายวัตุอาศัยวิจารณ์เกิดขึ้นวิจารณ์อาศัยหาทายวัตุเกิดขึ้นวิจารณ์อาศัยหทายวัตุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยหาทายวัตุอาศัยวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นจิตตสมุฐานรูปและกระตาตารูป ที่เป็นอุปอาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปและกระตาตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยขันเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันที่มีทั้งวิตกและวิจารณอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้น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 ขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์อาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นขันอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะวิตกอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นวิตกอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยหะไทยวัตถุเกิดขึ้นกระตัตารูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นขันธ์อาศัยหะไทยวัตถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยกระตัตารูปอาศัยขันธ์เกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์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 และกระตารูปอาศัยวิจารณ์เกิดขึ้นขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยกระตารูปอาศัยวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์อาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นกระตารูปอาศัยมหาภูตารูปเกิดขึ้นขันอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยกระตารูป อาศัยข sí ันเกิดข <im ึ้ははนเพราะวิปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะวิตกอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นกระตาตารูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นวิตกอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตปัจใจกระตาตารูปอาศัยขันเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิจารณ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้น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 และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะวิตกอาศัยขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นกระตัตรารูปอาศัยขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นวิตกอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยกระตัตรารูป อาศัยขันเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามและวิตกอาศัยขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และอาศัยหาัยวัตถุเกิดขึ้นขันสองและวิตกอาศัยขันสองและหาัยวัตถุเกิดขึ้นขันสองและวิตก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 และอาศ <ian> ัยวิจารณ์เกิดขึ้นอาศัยขันสองขันอาศัยหะไทยวัตถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหน well ึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และอาศัยวิจารณ์เกิดขึ้นอาศัยขันสองขันอาศัยหะไทยวัตถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีวิตก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 อาศัยขันและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยจิตตสมุทฐานะรูปอาศัยขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานะรูปอาศัยขันเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยจิตตสมุทฐานะรูปอาศัยวิตกและมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยวิตกเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยในปฏิสนธิขณะ กระตัตตารูปอาศัยขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและอาศัยวิจาร์เกิดขึ้นกระตัตตารูปอาศัยขันและวิจารเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยในปฏิสนธิขณะกระตัตตารูปอาศัยขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์และอาศัยมหาภูตารูปเกิดขึ้นกระตัตารูปอาศัยขันเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยในปฏิสนธิขณะ กระตาตารูปอาศัยวิตกและมหาภูตรูปเกิดขึ้นกระตาตารูปอาศัยวิตกเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยในปฏิสนธิขณะวิจารณ์อาศัยขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นวิจารณ์อาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตปัจจัยสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์ อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยวิตกและหาไทยวัตถุเกิดขึ้นกระตัตตารูปอาศัยวิตกและมหาโพตรูปเกิดขึ้นขันธ์อาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยกระตัตตารูปอาศัยวิตกเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัย สภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารเกิดขึ้นขันสและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและอาศัยวิจารเกิดขึ้นขันอาศัยหาทยวัตถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจใจจิตตสมุฐานรูปอาศัยขันและวิจารเกิดขึ้น เพราะวิปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันสามและกระตัดตารูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และอาศัยวิจารณ์เกิดขึ้นขันอาศัยหะไทยวัตถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจใจกระตัดตารูปอาศัยขันและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะวิปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และอาศัยหะไทยวัตถุเกิดขึ้น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 ขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัย 19. สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารงเกิดขึ้นขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และอาศัยวิตกเกิดขึ้นอาศัยขันสองขันอาศัยหาทยวัตถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยในปฏิสนธิขณะ ขันอาศัยหาทยวัตถุเกิดขึ้นเพราะวิสสปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดขึ้นจิตตสมุทฐานะรูปอาศัยขันที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และอาศัยวิตกเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันและวิตกเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยในปฏิสนธิขณะจิตตสมุทฐานรูป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 จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่มีทั้งวิตกวิจารณ์อาศัยวิตกและมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันและวิตกเกิดขึ้นเพราะวิปิยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันและวิตกเกิดขึ้นเพราะวิปิยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์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 กระตัดตารูปอาศัยขันและวิโตเกิดขึ้นเพราะวิปยุตะจจยตะปัจจัยอธิปัจจัยอวิคตะปัจจัยี่สิบเอ็ดสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะอาธิปัจจัยเพราะนาธิปัจจัยเพราะวิคตะปัจจัยเพราะอาวิคตะปัจจัยย่อ